ศึกษาเรื่องเซ็นกันต่อไปไอ้ตามที่จริงเรื่องเซ็นนี่หลวงพ่อไม่ต้องบอกก็ได้เพราะโยมที่ไม่มีเงินน่ชอบรูดเงินยังไม่ออกเลยรูดแล้วแต่เมื่อก่อนนะก็เซ็นก็ใช้ยเซ็นชื่อในบัญชีตอนนี้รูดทีนี้เซ็นของนิกายเซ็นไม่ใช่เซ็นรูดไม่ใช่เซ็นลง ช, ชื่อ แต่ว่าเป็นเ้นเดียว่าเป็นฌานฌานฌานก็เหมือนที่อธิบายตอนภาคเช้ามืดนั่นคือฌานที่นี่ฌานเป็นฐานของญาณญาณคือตัวรู้ฌานคือตัวเพ่งถ้าเรานั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพเราก็จะรู้จะเกิดความรู้ขึ้นมา มีพระนิกายเซนนั่นแหละท่านนั่งเพ่งก้อนหินก้อนหินที่ทำเป็นสวนเซนแล้วก้อนหินก้อนนั้นมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปแต่ว่ามันก็โกลนโกลนทานก็นั่งเพ่งเพ่งเพงเพจนเห็นก้อนหินก้อนนั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมา แล้วก็เดินได้ด้วยท่านดีใจมากรีบไปหาพระอาจารย์ใหญ่วอพระอาจารย์พระอาจารย์กระผมนั่งเพ่งก้อนหินเพ่งไปเพ่งมาเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เดินได้ถ้า ก, กระผมจะเอาก้อนหินก้อนนี้ไปสลักเป็นพระพุทธรูปได้ไหมท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่า คุณจะต้องยกกิจขึ้นสู่วิปัสสนา เดียวกันเราจะฟังไม่ถูกคนละเรื่องคือเรื่องเดียวกันเมื่อจิตเป็นสมาธิตอนที่เพ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกจิตนั้นขึ้นสู่วิปัสนาคือยกจิตขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่างไร เช่นว่าเร า, าเข้าไปนั่งในวิหารเพ่งพระพุทธรูปเพง่งเพงเพง่งเพง่งเพง่งเพ่งไปเพ่งมาเป็นยังไงจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเราก็ยกขึ้นช่วยปัจจนาด้วยการเห็นว่าพระพุทธรูปที่เป็นหินเป็นทรายไม่ใช่ปัญญาพระพุทธรูปจริง คือพุทธะพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงไหลเรื่อยสิ่งทุกอย่างข้าไปยึดมัน่นถือมันไม่ได้มันเป็นทุกขังเพราะทุกอย่างไม่ใช่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตานี่เริ่มที่จะลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้น ีนี้ถ้าหากว่าเรามีแต่นั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวไม่รู้จักคิดไม่รู้จักนึกไม่รู้จักพิจารณาอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาธิหัวตา อ, อะไรก็ไม่ได้เลยปัญญาก็ไม่เกิดการสมาธิอวตา อ, อย่างนั้นเวอวตาที่มันตายแล้วเราเอาน้ำไปลดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกหนอออกแขนงเลย เนี่ยวนมากมันจะเป็นสมาธิหัวตอมากกว่าฉะนั้นเราก็จะต้องเพ่งทำสมาธิด้วยการเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนเกิดปัญญาขึ้นมานี่หลวงพ่อทำสวนเซ็เนี่ยหลวงพ่อนั่งเพ่งโยไม่รู้หรอกให้คนงานทำไปพรางหลวงพ่อก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งตรงนี้จะใส่ต้นไม้อะไร ตรงนี้จะใส่ก้อนหินยังไงตรงนี้จะทําทางเดินยังไงหลวงพ่ อ, อก็นั่งเพง่งเพง่งเพงเพงเพง่งจนมันออกมานนจนเรื่องทั้งหมดมันออกมาพอมันออกมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามมันทีนี้เราคนนั้นโอ้ยสบายคนนี้ไปนะโอ้สวยนี่คือมันจูนเป็นธรรมชาติแยกว่าธรรมันมันเข้าเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันกับธรรมชาติของทุกคนนี่แหละ การเพ่งที่ทำให้เกิดปัญญาทีนี้คนนี้ จับเขาควายอยู่ควายนี่ตัวดำเห็นไหมควายตัวดำก็คือควายอาวิชชาเวลาใครก็โกรธเราอย่างนี้รือว่าเราโกรธเขาเราก็ด่าเขาว่าไอ้ควายเห็นไหมนั่นเนี่คือมันโง่มันโง่วัน น, นนี้นายคนนี้เขากำลังที่จะฝึกควาย เซนเปรียบเหมือนภาวะจิตที่มืดเหมือนกับควายป่าเป้าหมายของเซนคือการทําภายในจิตคือทำไอ้ควายนั่นแหละไอ้ควายนั่นแหละไอ้ควายที่มันอยู่ในจิตเรานั่นแหละเป้าหมายก็คือทํายังไงไอ้ไอ้ควายจิตตัวนี้มันเชื่องว่าอย่างนั้นเวลามันแผลงฤทธิ์ออกมามันอารวาสไอ้ควายตัวนี้ พออารวาสได้ออกทางกายออกทางวาจานี่ไอ้ควายตัวนั้นมันอารวาสฉะนั้นเขาก็ไปอยามที่จะขึดจิตให้ควายตัวนี้มันเชื่องตอนเช้าก็ให้โยมจับปลาโยมจับปลาเพราะวา่าน้ำมันเสียแล้วจะเปลี่ยนน้ำยอมว่าหลวงพ่อนี่จะทำยังไงปลามันตัวโตเหลือเกิน หลงพ่อบอกว่าเอามือไปลูบๆมันทีไปลูบๆลูบํานิ่มๆอ่อนอ่อนนิ่ม น, มนวลนมันง่ายเราจับด้วยดีคนที่เขาจับปลานั่นเช่นว่าจับปลาในคลองริมคลองอย่างนี้มันมีอะไรต่ออะไรมากมายมีรากไม้มีอะไรก็กดครัมครัมครัมครัมไปพอไปโดนปลาอย่างนี้ไม่ใจะตะครุบเลยเขาก็ค่อย จะค่อยๆลูบมันลูบมันลูบมันแล้วก็จับมันได้จับมันได้นี่ก็เหมือนกันหมาก็ดีควายก็ดีอะไรก็ดีทําแรงไม่ได้ทําแรงไม่ได้มันมีสองวิธีวิธีหนึ่งคือจับมัดวิธีที่สองก็ค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆจนก็เชื่องจนก็เชื่อง ดังนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันจะทำให้เขาเชื่องนี่ทำยังไงเรื่องที่ทำให้เชื่องสอนเขาบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเขาผิดมากผิดมากเราก็ต้องดุบ้างเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอย่างนั้นต้องดูบ้างต้องสอนบ้างดูบ้างสอนบ้างไม่ใช่ว่าเอาใจอย่างเดียวพ่อแม่เลี้ยงลูกสมัยนี้เอาใจอย่างเดียว ลูกก็เลยเป็นควายหมดทําไมนี่เห็นไหมติดอยู่ติดยาติดโน่นติดนี่นั่นเพราะไม่รู้จักควายแล้วก็เลี้ยงควายลูกก็เลยกลายเป็นควายทีนี้ตัวเองก็เลยเป็นพ่อควายแม่ควายหมดเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่เรื่องของการฝึกจิต การปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อให้ควบคุมควายให้ได้นี่เป็นเหตุผลในภาพนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมจิตให้ได้ดูที่จิต ด, ดีใจก็ดูที่จิตอยา่าไปดีใจจนเนื้อเต้นเสียใจก็อยากให้มันเกินไปแต่กว่าควบคุมให้มันได้อย่ามีความดีใจ อย่าเสียใจมันก็ไม่เปลืองที่นี่ไม่เปลืองไม่เปลืองอะไรไม่เปลืองไอ้เรียวแรง่ะคือพลังจิตเพราะเราปลดตื่นขึ้นมานี่ต้องใช้พลังจิตไปดีใจไปชอบใจหัวเราะจนน้ำตาไหลเสียพลังจิตไปเสียใจจนกระทั่งว่าร้องไห้ก็เสียพลังจิต เลิกดีใจเลิกเสียใจควบคุมจิตให้ได้วายนั้นมันก็เชื่อง จะาแม่กวรอิมนี่ก็เป็นพระอราหันต์ทีนี้ถ้าถามว่าพระอราหันต์นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่กะเทยพระอราหันต์นี่เป็นสภาวะเรียก ว, ว่าเป็นเพศแห่งพรหมจันท์ไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่จุดไม่ใช่ทอมพระอราหันต์ ท่านเป็นเพศพรหมจันทร์เป็นเพศที่บริสุทธิ์ทีนี่เพศที่เขาใชา้ชาช้กันเช่ที่สมมติว่าผู้หญิงผู้ชายใช่สําหรับที่จะถายปัสสาวะอะไรพวกนั้นเท่านั้นของพระอารหันต์ไม่ได้ใช้อย่างอื่นแล้วนี่ให้โยมเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านมีเพศที่บริสุทธิ์ในแต่ก็ถามว่าอามะจะไม่ควรอิมีเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่กะเทยไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่ทองนี่ทีนี้สมัยก่อนครั้งพระพุทธกาลมีเป็นกะเทยพระที่เป็นกะเทยนะเป็นกะเทยผู้หญิงคือกะเทยนี่มีสองเพศแล้วก็แต่งงานแต่งงานมีลูกสองคนมีลูกสองคนก็เบื่อหน่ายไปบวช พอไปบวชก็ไปเป็นผู้ชายอีกทีนี้เขาก็ถามเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายถ้ามาอย่างนั้นบวชไม่ได้ก็เป็นผู้ชายทีนี้ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์มีพระด้วยกันหรือเพื่อนที่สนิทถามว่าแล้วคุณไม่คิดถึงลูกหรือตอนนี้ตอนที่ท้องแก่่นีเป็นยังไงอะไรยังไงแกก็บอกว่า ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นกระเทยแล้วนี่กระเทยบวชเข้ามาแล้วเป็นพระอารหันต์ได้ทีนี้พอทีหลังพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านห้ามพรรู้อย่างนั้นแล้วห้ามไม่ให้กระเทยบวชไม่ให้ตุดบวชไม่ให้ทอมบวชเดี๋ยวนี้บวชไม่ยากเดี๋ยวนี้ ทุก็บวชได้พระทุตเห็นไหมเยอะแยะที่เชียงใหม่ก็ดีที่กรุงเทพก็ดีพอคำ้คำๆก็ทานไดเขียนาาคิน้วทาปากประทุตออกไปนั่งที่ศาลาแล้วพวกเนี้ยประทุตอย่างนั้นก็ห้ามบวชแต่ทําไมเราบวชได้เพราะว่าองค์เงินเข้าไปอัดมันก็เลยวบวชกันได้ทั้งนั้นเลย สัญลักษณ์ของเส้นที่ว่ามีความเคลื่อนไหวท่ามกลางความสงบและมีความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหวโยมเคยประสบอย่างนี้บ้างไหมในความเคลื่อนไหวเราจะนั่งดูโทรทัศน์มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหว นาทีแหน่งหรือนาทีหนึง่งไม่รู้จะกี่ภาพเดี๋ยวกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในความเคลื่อนไหวมีความสงบมันสงบที่ตรงไหนมันสงบที่จิตจิตของเรานี่สงบข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในสงบเราทํางานเราทํางานด้วยการเคลื่อนไหว มือเคลื่อนไหวแต่เสร็จแล้วใจสงบใจภายในนั่งสงบนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมภายนอกเคลื่อนไหวภายในสงบเราเดินเดินตรงกรมพอถึงเรียกว่าความสงบแล้วเดินสงบเดินสงบเดินสงบเดินช้าๆก็สงบ เดินเร็วๆก็สงบสงบสงบสงบสงบเดินเร็วๆแล้เดินช้าๆก็สงบสงบทีนี้ท่านนั่งหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบไงมีความสงบเอานอนนอนก็สงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นนี่นอนด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็สงบเพราะฉะนั้นนี่คือผู้ปฏิบัติที่อยู่กับความสงบเท่านั้นไม่อยู่กับอย่างอื่นอยู่กับความสงบนี่แหละคือพระอรหรันต์ทางนอกเคลื่อนไหวข้างในสงบทำได้ทุกเวลาทุกโอกาส ก็เคยพูดบ่อยๆหุยโคตัดแขนตัวเองสังกานายกองค์ที่หนึ่งพระโพธิธรรมปฏิเสธที่จะสอนหุยโคซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังกนายกองค์ที่สองในที่สุดก็ได้ยอมสอนเมื่อหุยโคยืนอยู่ท่ามกลางหิมะได้ตัดแขนตัวเอง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิษย์นี้ก็คือต้องมีสัจต้องมีสัจเพราะงวยโกะนี้แหละตอนที่ท่านนั่งแสดงธรรมอยู่พระโพธิธรรมท่านมาจากอินเดียออกมาถึงเมืองจีนก็นนั่งความธรรมของพระรูปนี้ก่อนนั่งพยักหน้า มือถูกต้องท่านก็สันสีษาถ้าไม่เห็นด้วยนี่ทีนี้ก็เออเราจะลงไปจากธรรมะจะไปถอดเที่ยวพระรูปนี้นี่แนหะคือพระรูปนี้พระสังกายกองที่สององที่สองเที่ยวท่านก็เที่ยวตามหาอยู่คือท่านบอกว่าท่านไม่ไปด้วยกันแล้วรอฮิอโคนี้ ท่านหลงในฌานหลงในพลังจิตเมื่อหลงในพลังจิตท่านไปเอาด้วย mm. ก็เลยหลีบไปเดี mm. ๋ยวพออยู่มาอยู่มาราหูโค่นี้ก็คิดได้วู้ใ ช, แชแ่แล้วใช่แล้วพระองค์นั้นใช่แล้วก็เลยเที่ยวตามหาตามหาท่านใช้เวลาตั้งสิบปีตามหาอยู่ทนี้พอเจอท่าน นั่งอยู่ในถ้ำเอยเจอพระโพธิธรรมเมื่อท่า น, ทานนั่งอยู่ใน ร, ร้ำว่าใครอะเอา้ากระผมมุยโกในที่ท่านเข้าไปนั่งฟังธรรมนั่นแหละจะมาหาท่านามาหาท่านมีธุระอะไรว่าต้องการให้ท่านสอนให้จิตของผมจะได้สงบเสียทีอา้า มันมีความจริงแค่ไหนเอาสัจจากันแล้วเอาสัจจากันแล้วคุณมีความจริงใจแค่ไหนฮวยโกนี้ก็เลยตัดแขนข้างหนึ่งแล้วเอาถวายพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมเห็นว่าจริงอย่างนั้นก็เลยบอกว่าดังนั้นคนคุณเอาจิตออกมาที่ฮวยโกมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะทํำยังไงดี จิตมันไม่มีครับผมอา้าเราทำแล้วเราทำแล้วเราทำแล้วคือท่านเห็นโอ้เพราะว่าเราทำแล้วท่านก็เห็นโอ้จิตมันไม่มีจริงๆก็เลยมันลุกทำเลยนี่เห็นไหมเพราะเรามีจิตนั่นแหละและจิตนั้นมันก็งโง่ด้วยเพราะเรามีจิตมันโง่ทุกทีแต่ถ้าเราไม่มีจิตมีอะไรเข้าไปแทนจิต สติปัญญาเข้ามาแทนจิปฏิบัติตามอริยมรเพื่อที่จะให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วไอ้จิตนั้นก็หายไปคือนิ่ธรรมชาติไม่เอามาเป็ น, นอินอูอิ สโลกธรรมในภาพมีข้อความว่าวันนี้ระคังยามเย็นลั่นก่อนเราจะนั่งสมาธิเสร็จอีกแล้วสิ่งต่างๆในโลกผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาไม่คอยใคร สมาธิพอจิตเป็นสมาธิดื่มดำนั่งสบายหลวงพ่อก็บอกว่าหมดเวลาแล้วโอ้ยทําไมเวลามันไวอย่างนี้อย่างนี้ถ้าว่าเรานั่งขัดอกขัดใจนั่งภาวนาแล้วภาวนาอีกไม่เป็นสมาธิสักทีหนึ่งก็บอกว่าให้นั่งจักสามสิบนาที โอ้ยนานเหลือเกินนานเหลือเกินกิเลสมันพูดว่านานเหลือเกินนั่นคือกิเลสมันพูดแต่คนที่นั่งแล้วกเพลินนั่นปัญญาปัญญามเริ่มที่จะเกิดดีนี้ก็บอกว่าสิ่งต่างๆในโลกผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาไม่คอยใครมันจะคอยได้ยังไง เวลามันก็ไม่ใช่ของจริงเวลาไม่ใช่ของจริงโยอมฟังแล้วของพ่อพูดอะไรเนี่ยเวลาไม่ใช่ของจริงยังไงอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้นาฬิกาดีคนสมัยนู้นก็ไม่มีนาฬิกาหรอกไม่มีนาฬิกาเพราะเวลามันไม่ใช่ของจริงทีนี้เราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าเวลามันอะไรนี เวลามันอะไรเนี่ยที่ออกในโทรทัศน์ในญี่ปุ่นคนหนึ่งจะตามหาเวลามับ้าตามหามันทำไมเวลานะเวลามันไม่มีมันใจมันของจริงทีนี้เราโอหลักอริยสัจมาจับหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาสองเหตุเกิดเวลาสามความดับเวลา สี่หนทางให้ถึงความดับเวลาหน่งเวลาเราไปยึดมั่นถือมั่นเวลาคนที่ทำการทำงานในโรงงานก็ดีเป็นการจาัการก็ดีโอ้ยทํามาวันนี้เวลามันช้าเหลือเกิ น, นอยากจะเลิกแล้วมีความทุกข์ห่งมันนี่เพราะเราเข้าไปยึดถือเวลาหรือทำงานกับนายจ้าง แม่ เ, เมื่ อ, อไรมันะจะห้าโมงทุกินก็ไม่รู้มันช้าอย่างนี้ฉันอยากจะเลิกแล้วอยากจะพอแล้วยู่เต็มทีแล้วนี่เราเข้าไปยึดถือเวลาเมื่อใดเราเข้าไปยึดถือเวลาเมื่อนั้นเราก็มีความทุกข์ทีนี้เราต้องศึกษาว่าเวลานะี่ยมันมาจากไหนเนื่องเวลาเหตุเกิดเวลามาจากอะไรเพราะโลกมันหมนุน เมื่อโลกมันหมนุนมันก็บังตัวมันเองวายหนึ่งก็มืดวายที่หมุนเข้าหาดวงอาทิตย์มันก็สว่างมันก็เลยทําให้เกิดเวลาเกิดกลางวันกลางคืนเกิดวชั่วโมงนาะทีวินาะทีเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นร้อยปีพันปีนั่น เ, เกิดเวลากเพราะโลกมันหมนุนความดับเวลา ความดับเวลาโอ้ยไม่ใช่ของจริงเลยมันบังงองตัวมันเองเนี่ก็ไปยึดถือมันทําไมเป็นยึดถือมันทําไมอย่างนี้เราก็ค้าไปยึดถืออ้ยตอนนี้แปดสิบแล้วจะตายแล้วกูจะตายแล้วช่างหัวมันเน่ยมันตายที่ไปยึดถือมันทำไงแหะเวลาไม่ใช่ของจริงฉะนั้นอายุมันก็ไม่ใช่ของจริงเมื่ออายุไม่ใช่ของจริงเด็กก็ไม่ใช่จริง นมสาวก็ไม่ใช่จริงแก่ก็ไม่ใช่จริงตายก็ไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจริงทางนั้นเพราะมันอยู่ใต้อำนาจเวลาแล้วเวลามันก็ไม่ใช่ของจริงอย่างนี้หนึ่งเวลาสองเหตุเกิดเวลาเพราะโลกมันหมุนสมความดับเวลาเลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวกูในความแก่ในความเจ็บในความตายในความโง่ เลิกยึดมั่นถือมันเห็นว่าโอ้ยเวลาจริงๆมันไม่มีคืนหนึ่งหลวงพ่อนอนนอนประมาณสักสิบครึง่งเอาตื่นขึ้นมาดูเวลาเพราะว่านาฬิกามันอยู่ที่ปลายเท้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนาะเวลามันเหมือนเดิมอยู่มันเท่าเดิมอยู่นี่ถ้าเราอยู่เหนือเวลานาฬิกามันจะหยุด แต่ถ้าเราอยู่ใต้อำนาจของเวลานาฬิกามันก็จะเดินดีนีเห็นไหมแค่เราก็เลยเป็นธาสเวลา ถึงความดับเวลาปฏิบัติตามอริยมรคไม่องแปดสติปัญญามันก็จะเกิดเมื่อเกิดเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วกลางวันกลางคืนอายุเท่านั้นเท่านี้เท่าน้นไม่มีความหมายโยมชอบถามหลวงพ่อหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอ่นี่เป็นธาตเวลาอีกแล้วอายุเท่าไหร่ก็ช่างมันไม่เป็นไร เพราะว่าอายุก็คือเวลานั่นเองแต่เราฝึกจิตให้สลาดอยู่เหนือเวลาเมื่ออยู่เหนือเวลาก็อยู่เหนืออายุอยู่เหนืออายุก็อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นมันจะมีปัญหาอะไรทีนี้มันก็จะหมดปัญหาถ้าหากว่าเราไม่เป็นทาดเวลาฉะนั้นหนึ่งเวลาสองเหตุเกิดเวลา ตามความดับเวลาสี่หนทางให้ถึงความดับเวลาไม่พ้นจากการปฏิบัติตามอริยมรตไม่องแปลเกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นอริยสัจเห็นขันธ์หน้าเห็นปฏิจจสมบาติแล้วก็รู้จักเวลารู้จักความแก่ความเจ็บความตายและไม่เป็นธาตุจริงเหล่านั้นนี่โยมทั้งหลายวางแล้วก็ออกไปคิดให้ดีในเรื่องนี้ ไม่แห็งแหงใบเหี่ยวเหียวนกนางแอ่นสองตัวกำลังบินโผลไปมานกดังแอ่คิดว่าเมื่อไหร่ข้าพระเจ้าจะได้ถอดชุดดำนี้ได้นกนางแอ่นรู้ทีจึงสามารถบินบนท้องฟ้าอย่างมีความสุขคือนกนางแอ่งคิดว่าก็ช่างมัน มันจะดำมันจะแดงมันจะขาวไม่เห็นมันเป็นปัญหาแต่ว่าบินได้มันสนุกกว่าแล้วกันนี่คือนก่างเองวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะสามารถวางความเป็นพระและจะบินอย่างมีความสุขคือพระนี่พระนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับว่านกเอาบาตเป็นท้อง เอาจีวรเป็นปีกบินไปในที่ต่างๆบินไปในที่ต่างๆเหมือนกับ น, นกบินไปอย่างนั้นมีผ้าสามผืนทีนี้วันหนึ่งข้าพเจ้าจะสามารถวางความเป็นพระและบินอย่างมีความสุขก็คือเป็นพระนี่เป็นพระธรรมดาเมื่อไรปฏิบัติ เป็นพระจนเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อนั้นก็ไปไหนอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับนกนางแอง่น ขั้นสุดยอดตระหนักว่าตนยังอยู่ไกลจากจุดนั้นและท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในที่สุดก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะต้องใช้จิตที่มีสติปัญญา พิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลวงพ่อพูดไม่เบื่อว่าไหลไหลไหลไหลเห็นการไหลของสรรพสิ่งมันว่าคืนที่ผ่านมานะอ๋อหลวงพอ่อช่วยบอกฉลองที่เด็ดเด็ดให้หน่อยเถอะที่ไม่ต้องยาวเกินไปพระอาจารย์ถามว่านั้นอะไรในขวด น้ำครับผมโน้นอะไรบนท้องฟ้าเมฆครับผมเท่านั้นเด็ดเด็ดแค่นั้นเองเห็นไหมอ้าวมีสาวกกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่าที่พระองค์ทรงแสดงมากเหลือเกินไม่ทราบว่าจะไปจับจุดที่ตรงไหนขอแสดงสั้นๆได้ไหมนี่ก็พูดซ้ำๆอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธรรมานาลังเปนิเวสายะสิ่งทั้งอวงอันใครใคไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนพูดให้มันอย่าบให้มันคายให้ถึงกระดูกก็ว่าสิ่งทั้งอวงก็คือทั้งหมดสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรข่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู เห็นไหมเท่านั้นเท่านั้นก็คืออย่ายึดมั่นทีนี้พอตื่นขึ้นมาก็ยึดมั่นแล้วนอนก็ยึดมั่นจนขวัญไม่รู้อะไรต่ออะไรยึดมั่นยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวปล่อยวางไม่เป็นไม่รู้จักปล่อยวางนี่มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นพระอรหันต์ท่านปล่อยวางโดยเด็ดขาดรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่าน รู้แล้วก็ผ่านไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือไม่ยึดมั่นถือมันเหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพหรือเข้าเมืองใหญ่ๆพอเข้าไปถึงข้างริมริมถนนมีป้ายหน้าร้านมีป้ายอะไรเต็มไปหมดโอ้ยอ่านมันหมดเลยยึดมั่นถือมันมันหมดไปอ่านมันทำไมไปอ่านมันทำไมนี่แล้วเกิดสงสัยขึ้นมาอีกอันนี้มันอะไรอันนั้นมันอะไร นั้นติดสิบชั้นติดยี่สิชั้น30สิบชั้นอะไรนั่นมันอะไรนั่นอะไรก็ช่างหัวมันอะไรก็ช่างหัวมันมันมีแต่หินกับปูนเหล็กเท่านั้นไม่เห็นมันอะไรนี่เห็นมันอย่างนั้นก็เลิกความยึดมั่นถือมั่นมันนี่ดูที่ความยึดมั่นถือมันดังนั้นถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมันมันก็จะจบ เหมือนกับของเซนนั่นแหละในในนี้ไม่มีแต่ว่าในหนังสืออื่นมีมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังที่จะข้ามฟากเพราะฝนมันตกหนักทีนี้เมื่อฝนตกหนักน้ํามันก่น็นองนองคงจะแค่แค่กลางหน้าแค้งหรืออะไรอย่างนั้นแหละมีพระกับลูกศิษย์เดินไปด้วยใกล้ใกล้กันนางผู้หญิงคนนั้นก็จ้องจ้องมองมองไม่กระ ไม่กล้าที่จะข้ามถนนเพราะน้ํามันเจิมนอ้องทีนี้พระอาจารย์นะก็เลยช่วยผู้หญิงหน่อยเถิดไม่เป็นไรท่านก็ไปถึงก็อุ้มผู้หญิงแล้วก็ไปวางทีขง่ขวางโน้นมีรูปศิษย์ก็ตายแล้วตายแล้วหวงพ่อเราเล่นอย่างนี้หรือนี่ละทําไว้นะมันผู้หญิงสาวสวยด้วยถ้าไปอุ้มก็ได้เลยอย่างนั้นะ เดินตามหลังพระอาจารย์ไปเดินไปเดินไปคิดไปคิดไปเอจะว่าอย่างไรเลือกทนไม่ไหวแล้วปรุงแต่งจนทนไม่ไหวก็เลยเลยขึ้นมาว่าหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปอุ้มผู้หญิงสาวอย่างนั้นเปิดอย่า ง, งมหันเลยก้านหนังสือพิมพ์มาเห็น่พวกตากล้องมาเห็นถ่ายแล้วก็ไปออกเว็บไซต์อย่างนี้เลยไม่ตายอยู่หลวงพ่อโอ้ ของพ่อว่าฉันทิ้งนางไว้ที่โน้นแล้วเจอยังแบกมาอีกหรือคำเดียวแค่นั้นเองพระรูปลูกสิ์รูปนั้นผมฟันรูทร้ทาเพราะเลิกความยึดมั่นถือมัน่นทันที แ้ตามความความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในที่สุดก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งผู้ที่บรรลุธรรมจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นผู้บรรลุธรรมจริงๆไม่ได้คิดว่าเราเป็นพระอนาคามีเราเป็นพระสกิทาคามีเราเป็นพระอระหันต์ออกไปออกไปออก ไม่ต้องการไม่ต้องการถ้าไปคิดอย่างนั้นมานะมันเกิดความถือตัวถือตอนมันเกิดไม่ใช่พระอาหารหันต์ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่พระอาหารหันต์หรือว่านั่งอยู่ท่ามกลางประชุมสงมีสงยี่สิบรูปสามสิบรูปเออเราเป็นพระอาหารหันต์ในท่ามกลางพระทั้งหมดนี้แหละเราเป็นพระอาหารหันต์ ามคิดเด็ดขาดว่าตัวเองเป็นพระลาหันทำยังไงทีนี้ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่เอาถืออยู่แต่ว่าไม่เอาคิตมันไม่เอาเป็นหรือเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นไม่เป็นไม่เป็นหลวงพ่อก็เลยชอบใจว่าหลวงพ่อเอี้ยนหลวงพ่อเอี้ยนหลวงพ่อเอี้ยนพระครูวินัยทอนของหลวงพ่อนะที่หลวงปู่้ากันนะ ภาคสิปดท่านให้มานั่นมันไม่ใช่เล็กมันใหญ่พระทูยในทอนก็ใหญ่ออกเพราะว่าเป็นฐานาของรองสมเด็จหลวงพ่อไม่อยากใหญ่ไม่อยากโตเป็นหลวงพ่อเอี้ยนดีกว่าสบายก็เลยเซนหลวงพ่อเอีย้ยนหลวงพ่อเอีย้ยนพอถ้าเซนอะมันดีกว่านั้นเองไม่ใช่ ใบนะ่คือใบไม้ใายแทนพระบุรธรรมก็คือธรรมชาติเคยธรรมชาติเห็นไหมนั่นคือธรรมชาติทีนี้บาดเหล็กแทนพระสังกายยกองที่หที่อยู่ตรงกลางกลมๆนั่นแหละบาดเด็กว่าบาดเหล็กว่า ง, างๆนั่นบาดเหล็กก็คือเมือ่อพระรูปหน่อยจะได้เป็นพระสังกา ย, ยก ท่านก็จะต้องมอบบาทมอบกีโว่ได้นี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์กว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์บาทเล็กแทนสังกายยกองที่หกที่ได้รับบาทจากพระสังกายกอง์ที่หการนําของสองสิ่งที่ต่างกันซึ่งาสิ่งหนึ่งเบาสิ่งหนึ่งหนักใบไม้นะ่ะมันเบาบาท ที่ทำกับเหล็กหรือทำกับดินหรือทำกับเหล็กสแตนเลสมันหนักสิ่งหนึ่งเบาสิ่งหนึ่งหนักมารวมกันในภาพก็เป็นการแสดงถึงคำสอนของเซนไม่หนักไม่เบาเป็นการผสมผสานกันของสิ่งตั้งสองสิ่งนี่เรียกว่ากลมกลืนกลมกลืนกลมกลืนกันได้เราเข้าไปในป่า เสร็แล้วป่าก็เอาเราไปหมดเลยเราก็เป็นป่าเนี่ยเราก็เป็นป่าป่าก็เป็นป่าเรามีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับป่าและก็มีความสงบป่าก็สงบจิตก็สงบนั่นแหละกลมกลืงเขาเรียกว่ากลมเกลืนทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าไปในป่าไปเห็นต้นไมห้หยอย โอ๊ยวานี่น่าจะดัดไปทำนั้นทำนี้ทำโน้นเอาไปขายไม่กลมกลืนแล้วอย่างนั้นไม่กลมกลืนแล้วนะตาหากว่าเข้าไปจิตสงบเย็นพอจิตสงบเย็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับป่าสังเกตดูให้ดีเลยนั่นแหละคือความกลมกลืนของธรรมชาติ เจ้าหูในโลกนี้กลายเป็นคนที่เป็นถั่วเป็นสี่เหลี่ยมเรนนิ่มเหมือนถัวูวเรียบได้กับการมีบุคลิกที่ขยันหมั่นเพียรมั่นคงอ่อนโยนเ้าหูถูกใช้เป็นสิ่งเปรียบเทียบในการสอนให้มนุษย์เป็นมิตร ต่อกันเลยกันโดยการทำจิตให้สงบและทำให้พบ ก, กับความเรียบง่ายเหมือนเท่าหูและเข้ากันได้กับทุกสิ่งออ์มาโทษเอามาทำเกงเกิดเอามาทำนั้นทำนี้ได้หมดโดยจะรูุในสะหลุดทำนี้กล่าวถึงหลักการสี่อย่างคือความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเอาไป เอาถั่ววูไปทอดเอามาจิ้มน้ำจิ้มรู้สึกอร่อยรู้สึกดีนั้นก็อย่างหนึง่งเียว่าน้ำเั่าวูก็ทำมาจากถั่วเหลืองแต่เราจอาทำอะไระเราจะเอามาดื่มเอาไปอุ่นก่อนของพ่อฉันทุกวันน้ำถั่วูเออ ในอำเภอจะซื้อมาถวายเป็นลังแต่ที่โยงก็ที่ตักบาตรนะใช่ว่าเราองขวดตรองขวดตรองขวดแต่แล้วอามาทํำยังไงเคี่ยวก่อนเอามาเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ใส่น้ําตาลไม่ถึงครึ่งช้อนให้มันพอรูดซะกหวานแล้วมันแข็งแรงดีกว่านมดีกว่าโอวนตินดีกว่าไมโลดีกว่าอะไรหมด สำหรับหลวงพอ่อดังนั้นหลวงพ่อจึงแข็งแรงขึ้นมาได้เพราะน้ำท่าวู่เห็นไหมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ อ, อเพราะอายุขแค่นี้แล้วยังเดินไหวเยนี่น้ำท่าวู่มันช่วยนี่คือวิตามินในน้ำท่าวู่นี่ความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายนั่นแหละแล้วอาการที่สองความนอบนอ้อมนอบนอ้อมทอมตัว ประการที่สองประการที่สาความสะอาดความนอกน้อมไม่ใช่หวนนอกน้อมกันไปหมดนอกน้อมกันไปหมดกับคนไม่ดีก็นอกน้อมกับคนดีก็นอบน้อมนอกน้อมกับคนดีถ้าคนไม่ดีสมมติว่าคนที่ขึ้นมาบนนี้ก็ต้องการที่จะมากราบหลวงพ่อก็ต้องการธรรมะเราก็เชิญเชิญเชิญเชิญ โยมไปไหนอมาเที่ยวเออไปไปไปเที่ยวด้านโน้นให้เขาไปเที่ยวใครอยากจะมาเที่ยวก็ให้เขาไปเที่ยวใช่ไหแล้วมันก็จบทันี้ความนอบน้อมเราก็รู้จักนอบน้อมถ่อมตัวความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาา่าใจสะอาดจิตเอากิเล็ออกให้หมด วัดนั้นจะสะอาดหรือไม่สะอาด้าไปดูที่ดูสถานที่เป็นยังไงอะไรยังไงวัดนี้ทำไม่ทันแล้วมันกว้างทำไม่ทันบางทีซ่วมก็ไม่ค่อยสะอาดยมก็มาช่วยล้างช่วยทาความสะอาดเพราะว่าเรามีคนช่วยอยู่คนเดียวแต่ไม่มีไอ้เรื่องถ่ายแล้วไม่ราดเนี่ยมันไม่มีไม่มี แต่ว่าศกกระปกนี้มันก็มีบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สะอาดเอาไว้สะอาดเอาไว้ข้างห้องน้ําห้องช่วงก็จัดสวนตรงนั้นก็จัดสวนตรงนี้ก็จัดสวนอ่าข้างๆทางเดิอนอะไรก็ทาให้มันสะอาดได้เป็นเรียบร้อยนี่วัดไหนเป็นยังไงก็บอกยี่ห้อเลยนี่ประการสุดท้ายสงบสงบความสงบ ดังนั้นยอมขึ้นมาบนนี้หลวงพ่อก็มีหุ้นส่วนว่าหลวงพ่อไปบรรยายธรรมได้มาหลวงพ่อก็เลยเอามาปรับปรุงตรงนั้นให้เรียบร้อยปรับปรุงตรงนี้ให้เรียบร้อยนี้ไม้ดอกไม้ประดับไม้หอมนั้นไม้สําหรับสวนเซง น, นั้นทางเดนนินนั้นนั้นอนนี้เรียบร้อยไปหมดวัดนี้ขึ้นมาแล้วสบายใจไม่อยากจะลง ขึ้นมาแล้วบางคนก็พูดว่าโอ้ยเหมือนกับขึ้นสวรรค์ก็แสดงว่าข้างล่างมันเป็นเมืองนรกหีือย่างนั้นเหมือนกับขึ้นสวรรค์ขึ้นมาแล้วจิตใจมันสงบเบิกบานอย่างนี้เห็นไหมนี่ท่าู้ท่าู้ทวาูอย่างนี้ เ, นนนนเพราะฉะนั้นให้เราได้สี่ตัวเน่งความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ2้องความอ่ด น, น้อมต่อมตัว ตามความสะอาดกายสะอาดทางจิตสะอาดทางสติ on, ปัญญาโอ้โหแล้ปัญญาที่ไม่สะอาดะเป็นอย่างไรปัญญาที่ไม่สะอาดพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกว่าปัญญาเฉโกอย่างนั้นปัญญาเห็นแก่ตัวปัญญาเฉโกนะเหตุการณ์เกิดเรื่องเรื่องพระขึ้นมาตอนนี้แหละมันมีงินมีทองเยอะแยะนั่นคือปัญญาเฉโก เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีสองอย่างปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่บริสุญญทธิ์กับปัญญาเฉกงแนว่งความเป็นหนึ่งเดียงสองความนอบนอ้อม3ามความสะอาด4 ส, ส ง, งบพอขึ้นมาแล้วไปมุมไหนจุดไหนมีจิตส ง, งบแค่นี้ได้แล้วขึ้นมาบนวัดนี้หลวงพ่อพ ก, ก็บอกว่า ไม่ต้องคุยกับหลวงพ่อก็ได้ไม่เป็นไรแค่ไปคุยกับใครไปคุยกับธรรมชาติคือความสงบนั้นนี่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเรื่องของอาวุสี่เหลี่ยมก็เป็นอย่างนี้ กนนายกองที่หคนตัดเฟืนหนุ่มชื่อหุยหน่งเรือว่าหุยเน่งบางทีเขาไม่ค่อยเหมือนกันซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังกายนายกองค์ที่หเมื่อเข้าประโยู่ในวัดของพระสังกานายกองค์ที่ห้าในตอนแรกได้รับตําแหน่งเป็นคนตําข้าวด้วยเท้า ที่ตาข้าวด้วยเท้าได้กลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระสังกนายกองที่หกเราจะเห็นว่านี่ปากใต้ก็เรียกว่าครกทีบครกทีบครกทีบก็เลยเราเอาอีนี่ยไปยันข้างหนึ่งพอไปยันข้างหนึ่งมันก็ยกขึ้นสากมันก็ยกขึ้นพอจากมันยกขึ้นเราก็ปล่อยเท้าแล้วมันก็ตาลงไป นี่คือเขาทำได้ว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระสังกายกองที่หกนอกนั้นก็เป็นสีแปลงถ้าเราเห็นภาพนี้ก็คือพระสังกายยกอง์ที่หกแต่เขาก็ไม่ได้ทำพระสังนายกเขียนเป็นรูปเป็นภาพเป็นอะไรหรอกเขาเขียนเป็นสั ญ, ญลักษณ์แต่ภาพจริงๆคือว่างๆ ว, ว, ว่างจากตัวตนพระสังนายนยกก็ว่างจากตัวตน ถ้าเขียนรูปพระพุทธเจ้าให้เหมือนไม่ต้องเขียนเลยความส ง, งบความสะอาดความสงบอะไรมันเขียนไม่ได้ความส ง, งบเย็นนี่มันเขียนไม่ได้งงดไไดพระนิพพานเป็นรูปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเมืองแก้วเมืองทองมีเปชดนินจินดาดเต็มไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นพระนิพพานไม่มีอะไรมีแต่ความส ง, งบเพราะเลิกยึดมั่นถือมั่น เพราะนั้นความสงบนั่นแหลนะนัตถีสันติระรังสุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ประจหมายถึงการมองดูโลกดีกว่าการมองดูสวรรค์มันอยู่ตรงไหนสวรรค์คนโบราณก็บอกว่าสวรรค์อยู่ใน อ, อกนรกอยู่ในใจเมื่อใดมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความร้อนใจนรกมาแล้วนรกมาแล้ว มีความโรภเปรดมาแน่มาที่ไหนมาที่จิตนั่นแหละพอมีความโลภขึ้นมาเปรดมาแล้วก็ร้อนใจขึ้นมานารกมาแล้วพองโง่ขึ้นมางโง่ขึ้นมาดิลฉานมาแล้วพอกลัวขึ้นมาอาจุรกายมาแล้วอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยฉะนั้นการมอง ต้องมองที่ตัวเองมองที่ตัวเองต้องมองที่จิต ด, ดูคนสวยดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลิกสวยเพราะว่าจิตมีสติปัญญาพอมีสติปัญญาแล้วมองเป็นเป็นไม่สวยเห็นจากเดี๋ยว่าธาตุว่างธาตุว่างอานิจจังอนัตตาสุญญาตาว่างจากตัวตน เห็นเป็นธาตุว่างเห็นภายนอกเป็นธาตุว่างร่ว่าภายในจิตว่างภายในจิตคือว่างว่างจากตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นประมอดจิตให้ธรรมชาติไปแล้วอย่างที่บอกว่าอานาปานาสติมวดที่สามหน่งรู้จักจิตรู้จักจิตสองทำจิตให้ปราโมสามทําจิตให้ตั้งมั่นสีปล่อยจิต ปล่อยไปไหนจิตปล่อยให้ธรรมชาติไอ้ตามที่จริงไม่ต้องไปปล่อยอะไรมันเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ว่าอย่ายึดถือมันว่าจิตมีตัวตนปล่อยจิตเนี่ยนี่คือปล่อยจิตไอ้ น, นี่ลักษณะของจิตหนึ่งบริสุทธโธหนึ่งบริสุทธโธปริสุทธโธหมายถึงว่าจิตที่บริสุทธสองสมาหิโตตั้งมั่น จิตที่บริสุทธิ์นะตั้งมัน่นบริสุทธิ์โทธรมาฮิโตสกรร ม, ม, มนิโยพร้อมที่จะทํางานนี่นี่ในฝ่ายที่ถูกต้องจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีสมรรถภาพสมาหิโตมีสมาธิกรร ม, มนิโยพร้อมที่จะประกอบการงานแล้วนี่รู้จิตอย่างนี้เรียกว่ารู้จิต ถ้ า, าว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะปล่อยจิตออกไปเสียจิตมีโทสะออกไปออกไปออกไปออกไปูมไม่อยากบ้ากับพวกมึงแล้วไปไปไปไปจิตมีโทสะจิตมีโมหะโง่โ ง, งไม่เอาไม่เอาโง่โ ง, ง่ง่นี่นั่นคือรู้จักจิตจิตที่ประกอบด้วยอาจสมัตถภาพคือ บริสุทธิโตสมาหิโตและกรรมนิยมจิต ท, ที่ถูกรังควานด้วยราคะโทสาโมหะหลีกไปหลีกไปหลีกไปไม่เอานี่เมื่อเราจะทำงานไม่ใช่ทำงานราช ก, การหรือว่าทำงานในบริษัทก็ไปถึงนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะทำงานนี่ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมัน่น หนักแน่นเด้วพร้อมที่จะทำงานนะทีนี้นี่คือรู้จักจิตสองถ้าจิตมันเศร้าหมองมันอะไรยกจิตยกจิตคิดแต่เรื่องดีดนะีคิดแต่เรื่องดีๆก็คือคิดเรื่องธรรมะนั่นแหละงรู้จักจิตสองทำจิตให้ประโมทเ อ, อิบอิ่มในเรื่องของปิ นั่นแหละทำจิตให้ประโมดถามทำจิตให้ตั้งมัน่นสีปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาตินี่เอาจิตมันเป็นตัวโกนไปเอาแล้วมันโง่มันโง่จิตมันไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนทีนี้เขาในทางโลกก็บอกโอ้ยแสงอาทิตย์นี่ไวกว่าอะไรหมดลงมาสู่โลกนี้ใช้เวลาไม่กี่วิ มาถึงโลกนี้แล้วแต่ว่าหลวงพ่อว่าไม่ใช่สู้จิตไม่ได้จิตเว็บเดียวเว็บเดียวเนี่เว็บเดียวถึงแล้วจิตจะไปดวงจันทร์อย่างนี้ทีนี้ถ้าเขาใช้ไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปดวงจันทร์ใช้เวลากันตั้งเท่าไหร่มันง่งามง่งงามอยู่แต่จิตนี่เว็บเดียวถึงแล้วไม่ต้องรู้ก็ได้ถึงแล้วเห็นไหมมันไวเพราะอะไร เพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ยจิตไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่ว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์อ้าวนี่แหละคือจิตงโง่ตอนที่จนก็ทุกข์จนที่รวยก็ทุกข์อ้าวให้ไปรวยก็ทำามล่ะมันทุกข์จนดีกว่าถ้าอย่างนั้นทีนี้จนก็ทุกข์รวยก็ทุกข์เสมอการไหมเสมอกั น, กนในเรื่องการปฏิบัติธรรมในทั้งจนทั้งรวยไดาทุกข์เสมอกัน แต่ถ้ารวยธรรมะจนก็เรียกว่ารวยรวยมีธรรมะด้วยก็เรียกว่ารวยรวยสองรวยเลยทีนีเห็นไหมสองรวยเลยแต่นั้นใครที่รู้สึกว่าจนาเอารวยธรรมะรวยธรรมะไว้ก่อนรวยธรรมะไว้ก่อนถ้ารวยธรรมะแล่วมันรู้จักพอแต่ถ้ารวยวัตถุแล้วมันไม่พอไม่พอไม่พอถ้ารวยธรรมะพอพอ มีแล้วสามารถที่ช่วยเหลือผู้อื่นนี่พูดเลยเหมือนกับว่ายกย่องโยมนั่นแหละแต่ว่าต้องยกย่องโยมยินดีเนี่ยมาช่วยที่นี้แล้วก็เพื่อนของโยมยินดีเนี่ยอย่างคุณเอ๋เนี่ยแล้วก็สามีคุณเอ๋นี่เขาก็มาช่วยมาช่วยช่วยสร้างนั้นสร้างนี่สร้างโน้นสร้างโร ง, ง, งครัวช่วยอะไรเสียหายก็ช่วยหลวงพ่อไม่ได้ไปขอร้องว่ายมมาช่วยทีจะช่วยทีเต๋อไม่ได้ขอร้องเลย ไม่ได้ขอร้องนี่เห็นไหมเขาพอแล้วก็ทำไปทำไปเสร็จแล้วก็ช่วยอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยแต่ไม่ใช่ว่าช่วยทุกวัดเขาต้องดูก่อนวัดไหนเป็นยังไงวัดไหนเป็นยังไงเขาต้องดูก่อนนี่คือเรียกว่ารวยสองรวยเงรวยทรัพย์สมบัติสองรวยปัญญาทีนี้เอาเราจนทรัพย์สมบัติ แต่ว่าเรารวยปัญญาไม่เป็นไรกนจนกับคนรวยก็เลยเข้ากันได้เราะรวยเหมือนกันนี่รวยเหมือนกันคือรวยธรรมะนี่เราทุกคนรวยธรรมะกันเถอะถ้าเรารวยธรรมะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นทุกท่านคืนนี้ก็เห็นว่าน่าจะพอสมควรแล้วชัว่วโมงกว่าแล้วแล้วเราก็จะเดินจงกลมหนึ่งรอบ มนโอกาสต่อไป